น้ำที่มันเดือดในหม้อนะถ้าเราหย่อนมันฝรั่งหรือมันเทศลงไปมันก็จะนิ่มนะมันก็จะอ่อนแต่ถ้าเราหย่อนไข่ลงไปในน้ำเดือดเนี่ยมันกลับแข็งนะทำไมมันเป็นอย่างนั้น บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ก็จริงนะแต่บางคนก็จะบอกว่าเออมันไม่แน่นะความร้อนทําให้อ่อนก็ได้ทําให้แข็งก็ได้นี่ถ้าราถามต่อไปว่าทําไมมันไม่แน่นะเราก็จะพบว่าเป็นเพราะ มันกับไข่นี่มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะมันตอบสนองต่อความร้อนไม่เหมือนกันนะอันนี้มันก็เปลียยนด้วยกับคนนะคนเรามนุษย์เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเจอความยากลำบากเจออุปสรรคเจอปัญหาบางคนก็ แย่ไปเลยแต่มงคลก็เข้มแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นพ่ออะไรนะคงไม่ใช่เป็นพระ อ, อุปสรรคนะอย่างเดียวนะไม่ใช่เพราะมีอะไรมากระทำไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีสถานการณ์บีบคั้นอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าข้างในเนี่ยข้างในที่นี่คือใจนะหรือว่าคุณภาพจิตนะ คุณภาพจิตที่แตกต่างกันนะคนเหมือนกันแต่คุณภาพจิตต่างกันนะพอเจประสักปัญหาบางคนก็เข้มแข็งกว่าเดิมแต่บางคนก็นะสวดเสไปเลยนะหมดสภาพให้ความสุขหรือความทุกขคนเราเนี่ย ถ้ามองให้ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพใจของเรามากกว่าใจเราเนี่ยจะเปรียบได้เหมือนกับมันที่เจอความร้อนแล้วก็นุ่มไปเลยหรือว่าจะเหมือนกับไข่ที่มันเจอความร้อนแล้วมันแข็ง หรือทุกคนเราเนี่ยนะไม่ว่าภายนอกหรือภายในนะบางทีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าแม้แต่ความเจ็บป่วยเนี่ยคนบางคนเจอเจอเชื้อโรคนะก็เฉย แต่บางคนเจอเชื้อโรคถึงตายได้นะอย่างหวัดเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนี่ถึงตายได้เชื้อชัยวีก็เหมือนกันนะมีบางคนเจอเชื้อชัยวีแล้วเฉยเลยไม่เป็นอะไรอันนี้มีนะเขาเจอแต่มีน้อยนะแต่ส่วนใหญ่พอเจอ้เชื้อชัยวีแล้วก็ป่วยเลย แล้วถ้าไม่เยียวยารักษาก็ตายอันนี้แบนเรื่องของร่างกายนะว่ามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ป่วยแต่ถ้าไม่มีก็ป่วยความทุกข์ใจก็เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพใจนะมากกว่า ปัญหารูประสาทที่มากระทบนะหลายคนเวลาทุกข์นะก็จะไปโทษสิ่งภายนอกนะโทษผู้คนโทษพ่อแม่นะคนรักเพื่อร่วมงานเจ้านายหรือว่าคนในวัดว่าเขาพูดไม่ดีว่าเขาทำไม่ถูกนะหรือไป รู้บอกกุญแจเพราะประโขดว่าปัญหามันสารพัดนะอันนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกนะมันไม่ทําให้เราทุกข์ใจได้หรอกได้หรอกนะถ า, ากว่าใจของเราเนี่ยนะจะเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันก็ไดนะ้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะหรือว่ามีคุณภาพจิตที่ไม่เอื้อให้ อ่เป็นทุกข์ได้ง่ายอย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยนาวาเอก็เป็นทุกข์จนกันทั่งรู้สึกหนักอึ้องไปหมดเลยนะคงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าปัญหารุมเรา้าต่างๆสารพัดแกก็เล่ามาหมดนะปัญหามีอะไรบ้างเราถวายส่วนในพระสังฆราชเจ้าแต่สิ่งที่่สนพระสังฆราชเจ้าได้ ที่ให้เขาได้คิดก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นออกับเขานะแต่ไม่เป็นเพราะใจที่ไปยึดถือเอาไวนะ้นพอไปยึดถือเอาไว้นี่มันก็ทุกเลยไอ้คำว่าหนักเนี่ยมันหนักเพราะไปถือไปยึดนะปัญหาเนี่ยมีไว้แก้นะมีไม่ได้มีไว้กลุ้มนะถ้าไปแบ่งมันเมื่อไหร่นะก็ทุก แบบแล้วก็ต้องวางมันบ้างนะเวลานอนก็ต้องวางมันลงบ้างนะเวลากินก็ต้องวางมันลงบ้างเวลาอยู่กับลูกนะอยู่กับสามีอยู่กับคนรักอยู่กับภรรยาก็วางมัอลงบ้างไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากหรือเกิดในที่ทำงานนะอย่างพวกเรามานี่เนี่ยนะหลายคนก็มีปัญหาเยอะ บางคนก็จะบอกว่าเล่าสามวันไม่จบนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักวางการมาที่นี่ก็ไร้ประโยชน์นะเพราะว่าอาตมาบรรยายไปครูบาอาจารย์สอนไปแต่มันไม่เข้าหัวเลยมันไม่เข้าจิตไม่เข้าใจเลยเพราะว่าใจไม่ได้ว่างใจไม่ว่างนะใจมันแน่นมันอัดไปด้วยปัญหาต่างๆ จะยื่นอะไรให้ก็ยื่นไม่ได้เพราะมือเนี่ยมันไม่ว่างนะมือมันถือมือมันแบกอะไรไว้เยอะแยะนะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอดีตหรือว่าเป็นสิ่งที่นะอยู่ไกลนะแต่ก็ยังไปแบกคนเราก็มีแค่สองมือนะถ้ามือเราถือโน่นถือนี่จ น, นเต็มทั้งสองมือแล้วเนี่ยแม้ครูบาอาจารย์จะยื่นอะไรให้ก็ ไม่สามารถจะรับได้ที่รับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าของไม่มีคุณภาพนะของดีแต่ว่ารับไม่ได้เพราะมือไม่ว่างจะรับได้อย่างไรนะก็ต้องวางของลงวางของที่ถือในมือลงนะอย่างน้อยก็ให้มันว่างซักมือหนึ่งนะถึงจะรับของจากครูบาอาจารย์ได้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นของรูปธรรมอีกเ น, นีของที่เป็นนามธรรมนะเช่นคติธรรมคำสอนเดี๋ยวว่าแต่ครูบาอาจารย์จะให้เลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยยื่นให้นะแต่ว่าถ้าใจไม่ว่างที่จะรับนะก็ไม่มีประโยชน์น ะ, พระ พ, ระพระพุทธองค์เองก็ ก็รู้นะความจริงในเรื่องนี้นางกีสาโกตมีนี่เสียลูกอุ้มศพลูกมาหาพระ เ, เจ้าเพื่อขอให้ช่วยเธอไม่ยอมรับ ว, ว่าลูกตายลูกก็ยังเล็กยังน่ารักอยู่เลยสามขวบสี่ขวบตายกระทันหันยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายแล้วไปให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้นทำให้ตื่น จากหลับทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่ยอมฟังจนผู้คนใส่หัวสุดท้ายก็มีคนแนะนำมาหาพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้านี่จะช่วยได้ก็ดีใจมาอุ้มศพลูกมาศพลูกนี่ก็แข็งไปแล้วนะแต่ก็ยังอุ้มมาพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็น แบบนี้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่สอนเลยนะเพราะรู้ว่าจิตเนี่ยไม่เปิดรับนะจิตไม่เปิดรับธรรมะใจไม่ว่างนะจำแบกนะมือก็แบกศพลูกแต่ใจก็แบกนะแบกความคาดหวังแบกความยึดติดถือมัน่นพระองค์ก็เลยแน้ให้ไปหาเม่ผักกาด จ, จากบ้านที่ไม่มีคนตายนะ หาได้พระองค์ถึงจะช่วยก็แคดีใจนะ น, นางกิสากรจะมีดีใจแต่ว่าพอไปหาใครต่อใครเขามีเมตดผักกาดให้แต่พอถามมีบ้านที่ไม่มีคนตายไหมทุกบ้านมีคนตายทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ก็ตายที่บ้านโดยซ้ําำเพราะคนสมัยก่อนตายอย่างนั้นนะไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีโรงพยาบาลก็ตายที่บ้าน บ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายบ้านโน้นก็มีคนตายสุดท้ายก็ยอมรับได้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็ล้วนแต่พัดพลาดสูญเสียคนรักทั้งนั้นย่อมก็ยอมรับความตายของลูกได้สุดท้ายก็เอาลูกไปเผาเสร็จแล้วก็มาเฝ้าพุทธเจ้าตอนนี้แหละที่พระองค์แสดงธรรมแล้วนะว่าผู้ที่ยึดติดในลูกนะในคนรักในทรัพย์สมบัตินะ มจุราเนี่ยยอมพัดพาคนเหล่านั้นนะเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับหลไปฉั้นนั้นเท่านี้แหละนะนางกิสาคกตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่าพระรู้านี่พระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะสอนธรรมะให้กับคนทุกคนทุกกรณีทุกโอกาสพระองค์ก็ดูว่า ใจก็พร้อมจะรับฟังไหมบางทีอยากฟังแต่ไม่พร้อมนะก็ไม่ทรงเทศนะไม่ทรงสอนอย่างท่านภาัยยะเนี่ยอยากได้ฟังธรรมจากพพุทธเจ้ามากเดินข้ามนะเดินเท้านะเป็นหลายร้อยโยชน์นะตรงมาพพุทธเจ้าไม่หลับไม่นอนมาถึงพระพุทธเจ้าบนถนน ที่พระองค์กำลังเสด็จบินทาบาทไม่รอเลยนะไม่ฟังอีราาักให้ลมก็ตรงเข้าไปแล้วก็ขอยพระเจ้าแสดงธรรมเหตุผลก็ดีนะบอกว่าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะตายเมื่อไหรนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฟังเดี๋ยวนี้เลยนะเหตุผลดีแต่ว่าใจยังไม่พร้อมเพราะว่าอยากฟังมากเนะ เรียกว่ามีความร้อนรนนะไอ้ความร้อนรนเนี่ยอยากฟังธรรมนี่มันก็เป็นอุปสรรคนะไอ้ความอยากก็เป็นความยึดแบบหนึ่งนะพระองค์ก็ปฏิเสธว่ายังไม่ใช่เวลาไม่ใช่โอกาสนี่ยกาลังบินฑบาดอยู่อยู่บนถนนท่านพยะก็ยังยืนยันนะพระองค์ก็ปฏิเสธท่านพยะก็ยืนกรานอีกนะเป็นครั้งที่สามพระองค์ก็ สุดท้ายก็แสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นหรือว่าใจได้สัมผัสรับรู้อารมณ์นะเมื่อนัสสัคตวาเห็นสักตวะได้ยินนะสักตวาได้กลิ่นสักตว์รู้แจ้งในอารมณ์นั้นะเมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล ะ, ะห่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกษัสั้นๆประมาณนี้เลยนะ ท่านพายานเนี่ยซึ่งตอนนั้นใจเริ่มสงบลงแล้วก็เปิดปัญญาก็เกิดบรรลุธรรมนะเป็นผ้ารหักลางถนนเลยพอเป็นผ้าแล้วก็ตั้งใจจะไปบวชนะแต่ว่าพอเดินออกไปไม่กี่ก้าวโดนัวขวิดตาย น, ะนี่ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมตอนนั้นก็คงอีกนานนะเพราะว่าไม่มีโอกาสละ ตายซะก่อนทานที่ท่านพัยะท่านปลาโรไปนี่ก็น่าสนใจนะขอฟังทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหรเหตุผลถูกนะแต่ว่าใจไม่พร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกใจยังร้อนรนนพอใจเริ่มสงบลงละพอพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงชะลออาไว้นะชะลอการแสดงธรรมรอให้เย็นซะก่อนใจก็เริ่มเปิดนะ อันนี้แมระทางการแม้แต่ของดีๆนะคือธรรมะนี่นะถ้าใจเราไม่ว่างหรือใจเราไม่พร้อมนะแม้มีความอยากจะได้ฟังจะได้ประโยชน์กับธรรมแต่ใจไม่พร้อมเพราะยังยึดเอาไว้ยังมีความอยากนะก็ไม่สามารถจะได้รับของดีของประเสริฐเหล่านั้นได้ นี่นี่นพูดเฉ่าของดีนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยบางทีจิตมันกลับรับนะของดีจิตไม่ว่างที่จะรับแต่ว่าของไม่ดีนะจิตมันกลับจับกับฉวยคําต่อว่าดาทออุปสรรคปัญหาต่างๆนะกลับยึดกับฉวยกับจับเอาไว้แน่นนะแล้วก็ทุกเอง นะถูกปัญหาถูกอุปสรรคมันกดทับหรือว่าเผาลนจิตบีบคั้นจิตนะก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะอะไรเพราะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษข้างนอกไปโทษคนนั้นคนนี้นะไปโทษสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ นี่ถ้าเรานะตอนหนักว่ามันอยู่ที่ใจเรานะมันไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะมันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยเป็นเหมือนมันเทศหรือว่าเหมือนกับไข่นะอยู่ที่คุณภาพหรือคุณคุณสมบัติของจิตเราภายใน คนบางคนโดนดา่าโกรธโมโหแต่ทำไมคนบางคนโดนดา่ากลับนิ่งหรือว่ากลับยิ้มด้วซ้ํอย่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจรจันไดนี่ถูกเจ้านายด่านะี่ยยิ้มใหนะ้ยิ้มให้ไม่พอพนมมือไหว้ด้วยขอบคุณครับนะขอโทษครับนะเจ้านายนี่ก็ด่าอย่างเดียว นะแกบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นแม่บ้านตอนนั้นแกเป็นพนักงานทาความสะอาดโรงแรมถูกดา่ดาดา่ดาด่าด่าแกก็ยิ้มให้แม่บางเรื่องนี่ไม่มีเหตุผลเลยแกก็ยิ้มยกมือนะทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่มันเป็นอัตโนมัตินะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะเถียงยังไงเพราะเขาไม่ฟังแต่ตอนหลังก็ถือเป็นโอกาสนะว่าเออมันดีนะ มันได้ฝึกใจเราให้เรากลับมาดูใจตัวเราเองนะก็เลยต้องขอบคุณเขามาดูใจว่าทำยังไงใจจะไม่ทุกขนะ์ก็กลายเป็นยิ้มได้ไม่ทุกข์นะให้คำด่านี่ไม่ทำให้ทุกข์นะคำตอบว่าด่าทอไ ม, ไม่ได้ทำให้ทุกข์แตทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ใจเรานะว่าใจเราเนี่ยนะ จะรับมือกับคำต่อว่าด่าทออย่างไรนะหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเนี่ยสมัยที่ยังหนุ่มเนี่ยไปบิณฑบาตในเมืองาการที่เดินไปรับบาทจากผู้หญิงอยากโยมคนหนึ่งนะที่มารออยู่บนถนนมีเด็กอายุห้าขวบเป็นลูกชายเดินอยู่ใกล้ๆพอท่านเดินไ ป, ไ ป, ไปใกล้ๆนี่ เด็กก็พูดว่ามึงบอกแม่นพระ ด, ดอกมึงบอกแม่นพระ ด, ดอกนะไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงท่านเลยนะที่ท่านก็ไม่พอใจนะแต่สักพักนี่ท่านได้สติแล้วท่านก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระพ่อถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอคิดได้แบบนี้นี่ความโกรดนี่ลงเลยนะ ลดเลยจิตเป็นปกตินะกลับมาเดินสามารถจะเดินไปรับบาดจากแม่ของเด็กได้โดยที่ไม่ได้โกรธทั้งลูกแล้วก็แม่นะตอนหลังท่านก็เวลาท่านพูดถึงเหตุการณ์นังท่านก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนั้นคืออาจารย์ของท่านเป็นอาจารย์นะแต่หลายคนเนี่ยพอถ้าเจอแบบนี้เขาก็จะโกรธนะโกรธเด็กนอกจากโกรธแม่ด้วยวาทไมไม่สอนลูกปล่อยให้ลูกพูดอย่างนั้น เราเป็นพระกูเป็นพระมาพูดกับกูแบบนี้ได้ยังไงนะไอส้สานึกว่าเป็นพระเนี่ยมันสามารถจะปรุงให้ไม่โกรธก็ได้หรือโกรธหนักขึ้นก็ได้นะอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยท่านเกิดสำลักสัญญาเออใช่เราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะแค่นี้แหละความโกรธก็ทุ่เราแต่ถ้าคิดหรือสานึกในตัวตนว่าฉันเป็นพระฉันเป็นพระ ทำไมมาพูดกับฉันแบบนี้ทำไมมาทํากับกูแบบนี้มันยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เกิด ค, ความแค้นความพยาบามแล้วตัวเองก็ทุกข์เองนะถ้ามันอยู่ที่ใจเรานะว่าเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรแม้แต่เรื่องร้ายนะที่เรียกว่าอนิจจาลมมากระทบเราแล้วเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นบวกได้ สิ่งแย่ๆเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ารับมือกับมันให้ถูกนะมันก็กลายเป็นขุดได้ไม่เฉพาสิ่งที่มากระทบกับเราแม้แต่สิ่งที่เราลงมือทำเองเลยนะสิ่งที่เราลงมือทำอย่างเช่นการฆ่าตัวตายเนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยนะสาหรับคนทั่วไปถือว่าแย่เลวมากแต่รู้หรือเปล่าว่ามี พระหลายรูปเนี่ยเมื่อท่านค่าตัวตายแล้วท่านบรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์ฉันพระโคติกะเนี่ยนั้นท่านท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาความสงบมากนะมาบวชก็เพื่อความสงบเพื่อความพ้นทุกข์และวิธีการที่ฉันทำก็คือการเข้าฌานพอเข้าฌานนี่สงบมากนะมันเป็นสุขอย่างยิ่งเลยแต่พอฌานเสื่อมก็ทุกข์ ก็พยายามขวนขวายเข้าฌานใหม่พอเข้าฌานก็มีความสุขลราคิดว่านั่นแหละคือการออกจากทุกข์พอฌามเสื่อมอีกนะก็ขุนเคืองใจท่านเข้าฌานเนี่ยทำฌานเนี่ยถึงหกครั้งแต่ว่ามันเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงนะความสงบอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อวานเนี่ยความสงบจะเพราะสิ่งว่ล้อมก็ไม่เที่ยงไม่้แต่ความสงบเพราะฌามก็ไม่เที่ยงพอมันเสื่อม ท่านก็ทุกข์จนกระทั่งคิดค่าตัวตายครั้งที่เจ็ดเนี่ยพอเข้าฌานเสร็จแล้วก็พอมันใกล้จะเสื่อมนี่ท่านเอามีดนี่ปาดคอเลยนะปรากฏว่าตายนะตายสําเร็จอันนี้ก็ได้ไงคิดนะว่าแม้กระทั่งความติดยึดในฌานนี่ก็เป็นโทษนะความติดยึดเนี่ยมันเป็นโทษทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งยึดในฌานยึดในความสงบแล้วพอไม่ได้เนี่ยมันทุกข์เลย หรือพอมันเสื่อมบันนีทุกเลยนะแ ต, แต่เป็นความทุกแบบประนีกว่านะกาประณีกว่าคนที่ทุกเพราะเงินทองนะถูกขโมยทรัพย์สมบัติถูกโกงประณีในความหมายที่หมายถึงสาเหตุนะแต่ว่าความทุกเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะ mm. ก็คือว่าทนไม่ไหวจนกระทั่งตัดสินใจฆ่าตัวตาย สุดท้ายพรธเจ้าพยากรณ์ว่าพระโคติการ์บาลุธทำเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงฆ่าตัวตายนะเพราะบางคนเชื่อว่าเนี่ยฆ่าตัวตายคือกรรมหนักนะอันนี้เป็นความเชื่อชาวพุทธมากนะหลายคนทั้งที่ก็ไม่ได้มีระบุไว้นะในพระไตรปิฎกว่าการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักพระโคดิกบร์บลุธทำเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรนะก็เพราะว่าตอนที่ มีทุกขเวทนาเนี่ยจากการปาดคอตัวเองเนี่ยท่านได้สตินะแล้วก็ได้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็เห็นว่าสังขารนี่เป็นทุกข์มากใน ต, ตอนที่มีความทุกข์ความเจ็บปวดเนี่ยนะท่านมีสตินะเห็นความปวดเราก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากก็ทําให้ได้เข้าใจเรื่องไตหลักเห็นไตหลักก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตนะ์ ไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะพระเถ ร, ระเถรีไหลท่านก็จบลงแบบนั้นพระสรีหาเถรีนะก็ค่าตัวตายเพราะว่าจิตไม่พบความสงบเลยนะไม่ได้อกหักไม่ได้สูญเสียลูกนะแต่ว่าอุตสา่าห์มาบวชแล้วก็ไม่พบความสงบบวชมาเจ็ปีนี่หาความสงบไม่ได้เลยอย่าอยู่เลยดีกว่าอาจจะเป็นเพราะความกุมใจที่ไม่เจอความสงบนะ อย่างที่บอกไว้แล้วในความยึดติดในความยึดอยากเนี่ยมันเป็นโทษทั้งนั้นไม่ว่าจะยึดอยากอะไรแม้กระทั่งยึดอยากความสงบไม่ได้ยึดอยากในทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิติยศนโลกธรรมสี่พอไม่ได้ดังใจพ่อเสียใจเครียดจนกระทั่งลืมตัวแต่ตอนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยตอนที่เกิดแล้วสําเร็จด้วยนะก็คือขารที่กำลังจะตายเนี่ยก็ บรรลุธรรมได้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์พระสัพพธาตก็เหมือนกันพระเทระก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันก็พระเจ้ากัปยากรเป็นพระอรหันต์การฆ่าตัวตายเนี่ยนะมันก็สามารถจะพาคนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยไปสู่อบายได์เพราะว่าจิตทําด้วยความโกรธทําด้วยความด้วยจิตเป็นอกุศล จิตที่เศร้าหมองนะหากว่าเป็นจิตสุดท้ายนะมันก็ไปอบายแต่ว่าซาบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งสติได้นะเราก็สามารถจะใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาจนเห็นไตรลักษณนะ์ก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะคาดไม่ถึงนะว่าค่าตัวตายแล้วบรรลุธรรมไดนะ้แต่มันก็มีนะมีจาลึกไว คนที่บอกว่าการเข้าตัวตายเป็นกรรมหนักบางคนนึกบอกว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยเนี่ยก็เป็นการพูดเอาเองนะเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องประเภทที่เราไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะจิตนะคุณภาพจิตนะคุณภาพจิตในตอนสุดท้ายอาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเจ็ดปี หรือว่าตลอดหลายปีนะของท่านเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศูญเปล่านะการปฏิบัติธรรมการได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเข้าใจทำให้ได้รับรู้เรื่องใตรักหรือว่าการที่ได้เจริญสติมานั้นมาในระดับหนึ่งถึงแม้ไม่ช่วยทำให้เกิดความสงบในยามปกตินะแต่ว่าตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยสติมก็มาทำงานนะ แล้วก็ทำให้เห็นความจริง <c oughs> เห็นสัจธรรมนะความทุกเนี่ยนะถ้าเป็นทุกนี่มันแย่นะมันทำให้ใจมันก็ตกนรกเลยแต่ถ้าว่ามีสติเห็นทุกเนี่ยนะปัญญาก็เกิดได้ลหลวงพ่อมเขียนนั่นอยพูดว่าเนี่ยเห็นทุกก็พ้นทุกนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นนะส่วนใหญ่เป็น เวลามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปนะมันไม่ได้แปลว่าจะเลวร้ายเสมอไปนะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรับมือกับมันอย่างไรนะมันอยู่ที่ปัจจัยภายในนะการกระทําอย่างเดียวกันเนี่ยสําหรับคนคหนึ่งมันทําให้แย่มากเลวร้ายไปเลยแต่คนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยมันกลับเป็นดีได้ แม้การกระทำนั้นอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะเช่นฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วล่ะแต่ว่าคนบางคนน่ะสามารถจะเปลี่ยนล้ายให้กลายเป็นดีได้เพราะว่าสติมันตามทันเอามาใช้งานได้ในช่วงหน้าสือ่อหน้าควานทุกเจ้าเคยตอบว่าคนกรรมชั่วเนี่ยคนบางคนทาแล้วเนี่ยนะตกนรกนะ แต่คนบางคนทําแล้วเนี่ยเสวยทุกขเพียงประเดี๋ยวประดาวนะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในในภพหน้ามันขึ้นว่าเป็นคนเป็นคนที่เป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนเลวนะทำกรรมชั่วแม่เพียงนิดเดียวนี่ก็พาให้ไปไปนรกได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนดีทําความดีมาตลอด ไอการทำชั่วอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์นะเพียงประเดี๋ยวประดาอย่าไปสงสัยนะทำไมคนบางคนทำไมกรรมกรรมไม่ดีคนบางคนเนี่ยรับกรรมมากเหลือเกินแต่คนบางคนรับนิดเดียวนะมันอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วหรือว่าเขาทำดีเป็นนิดหรือว่าทำชั่วเป็นนิดนะก็กลับมาที่คุณภาพจิตนะของคนนะ คุณภาพจริงคนสำคัญนะเมื่อกันที่เคยเล่าว่านะพระรูปหนึ่งเนี่ยนะมีความหงุดหงิดขุนเคืองอะไรต่ออะไรมากมายเสียงดังก็หงุดหงิดนะพระสวดมนต์เสียงไม่ไม่ตรงนะหรือว่าจังหวะไม่เข้ากันก็หงุดหงิดนะแดดร้อนก็หงุดหงิดนะจนกทั่งหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกให้ไปเอาเกลือมา เอาเกลือมามาห่อหนึ่งจากในครัวอ่แล้วก็เทใส่น้ำโรยเกลือครึ่งหนึ่งลงไปในแก้วน้ำแล้วก็ชิมดูเป็นยังไงเค็มครับอาเค็มครับเค็มจนขมเลยอาทีนี้ไปที่ลำห้วยเทเกลือที่เละที่เหลือลงไป แล้ชิมดูเป็นยังไงจืดครับจืดสนิทเลยนะท่านก็สงสัยว่าหลวงพ่อต้องการสอนอะไรสิ่งที่หลวงพ่อต้องการสอนคือว่าเกลือเนี่ยถ้ามันเค็มนะหากว่าภาชนะเนี่มนันเป็นแค่แก้วน้ําแต่มันไม่ทําให้เค็มได้เลยถ้าหากว่ามันไม่ใช่ภาชนะแต่มันเป็นลําห้วยก็มันจะจิกคนเรานะ ตัวคนเราถ้าแคบเล็กเหมือนแก้วนะเจอเกลือก็ก็ก็เค็มนะเจอความทุกข์นิดหน่อยนะมากระทบก็ขุนเคืองใจแต่ถ้าหากว่าทำใจเราให้เหมือนสายน้ําความทุกข์อย่างเดียวกันนะก็ไม่ทําให้ทุกขนะ์ไม่ทําให้ขุนเคืองนี่ทีว่าใจเนี่ยของเราจะเป็นแก้วน้ําหรือเป็นลําพุวย นั่นเมื่อเรามีความทุกข์เนี่ยก็ให้ตระหนักว่ามันไม่ได้เป็นเพราะนะสิ่งภายนอกนะแต่เป็นเพราะใจของเราเนี่ยมากกว่าสิงภายนอกก็มีส่วนนะแต่ว่ามันจะทําให้ทุกข์หรือว่าทําให้ไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานะีต้องถามว่าใจเรานี่ได้ฝึกมามากน้อยแค่ไหนเราได้สร้างสมคุณภาพจิตนะตชนิดที่ว่า ไม่ว่าเจออะไรนะใจก็เป็นปกติได้หรือเปล่านะใจเรามีสตินะเรามียังมีความยึดมั่นถือมั่นนะมากน้อยเพียงใดยังมีความรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าเต่ไมไปด้ความหลงจันะใจเราฝึกให้มีสตินะอยู่ประจําตัวมันรู้สึกตัวอยู่เสมอนะแล้วก็มีปัญญาในการเข้าใจความจริงของชีวิต เจออะไรนะมันก็ไม่ทุกหรือว่าถ้าถ้ามีสติดีเจออะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมได้นะทุกทุกอย่างเนี่ยมันสอนธรรมให้กับเราเสมอนะความเจ็บป่วยก็สอนธรรมให้กับเรานะความสูญเสียความพัดพราดถูกโกงเงินหายก็สอนธรรมให้กับเรานะ สอนทั้งในเรื่องของความไม่เที่ยงนะสอนในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานะหรือว่าตื่นใจให้เราไม่ประมาทก็ไดนะ้ความเจ็ความป่วยมันเตือนใจให้เราไม่ประมาทว่าวันนี้เนี่ยเจอเท่านี้นะวันหน้าจะเจอหนักกว่า น, นี้เพราะฉะนั้นเจอเท่านี้นี่ถือว่าโชคดีแล้วนะต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ ต้องรู้จักเป็นผู้เฉวยโอกาสนะหลวงพ่อมันเคเขียนนั่งสอนเสมอว่าให้นักปฏิบัติธรรมคือนักฉวยโอกาสนะฉวยโอกาสนี่ชฉลย ท, ทั้งทุกเวลานะเอาทุกโอกาสมาเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งในแง่การเจริญสตินะนะในเมื่อต้องทํางานก็เฉวยโอกาสเอาเวลาทํางานนี่แหละมาเป็นการเจริญสติไปพร้อมๆกันนะก็คือมีความรู้สึกตัว ไม่ใช่ว่าเอาแต่บน่นโวยวายว่าทําไมมีงานเยอะเหลือเกินไม่ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมก็ทํางานนั่นแหละนะเป็นโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้หรือจะป่วยนะผมเขาบ่นว่าทําไมมาเจ็บป่วยตอนนี้ตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมดันจะป่วยซะก่อนอ้าวก็นั่นแหละนะตอนแบบเจ็บป่วยนั่นแหละคือโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วพิจารณาซึ่งว่าเออทําไงจะเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ พิจรารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานถ้าคนที่มัวแต่บนวยวายตีพยตีพายเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยอันนี้เราว่าไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดนี่เขาเชื่อโอกาส เอาทุกเวลาทุกสถานการณ์มาเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมตอนนั้นลงไปเลยนะถึงแม้ว่าป่วยจนเดินจงกลมไม่ได้แต่ก็ยังกระดิกนิ้วได้นะหรือว่ายังนะสร้างความรู้สึกตัวได้จากลมหายใจที่เข้าและออกจากตาที่กระพริบจากน้ำลายที่กลืนนะกลืนน้ำลายกระพริบตาก็สร้างความรู้สึกตัวได้ นะาการปฏิบัติธรรมด้ว่าการเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำได้ทุกโอกาสอยู่ที่ว่าจะฉวยโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการพิจารณาทำจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำได้ตลอดเวลานะถ้าเราตระหนักว่าทุกเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นธรรมได้นะเราก็จะไม่กลัวทุกเราก็จะไม่หงุดหงิดลำคายกับทุก เราจะโชว์โอกาสเอาทุกนี่แหละมาเป็นอุปกรณ์สอนทรรมให้เห็นทำได้เพื่อความไม่ทุกนะเพื่อการพ้นทุกของเราเอ่าแล้วชาวนี้พูด ก, กันเท่านี้อ้ครับะ